การใส่ป fiz ัดให้ทางนี้เป็นการเดินทางไหมเป็นการเดินทางมรรเนารรับทตอรับค การน่าสนใะตัดสอเป็นตัสอนนเ้าาก้ังเรืองกำลัง่เร่ที่ห้องรถแต่ไม่ได้เริ่เลย การปฏิบัต s ทำถึงจะเป็นก้าวแรกวันไนได้ปฏิบัติทาถึงจะนกาดียวไอ้ฉันั้นกคือ <songs> ผ <episódio> ูปามาอิเตะกะต่าย <blind> ทุกคนอย่ามาดีแค่แค่ทานแค่ั้นให้ปฏิบัต พวเราม่ายๆก็หมดแล้วแต่ยิ่งมันเรือแต่ไม่ใช่แค่มันักบุญนะพวกเราเที่เด็กนุษเ้องเป็นมนุษรอกิจริงหงวัดตาม่ไหวเครื่องต่งหน้าแบบเต็มรูปแบบยังไั่กี่เดอตรงนี้ สิไหนเป็นประโยชขอให้ดคุณงื่อเคนรื่ององมากกว่าการแก้ไขน่้มน ต้องมองมองระดับความเป็นบุญในศาสนาเนี่ยมีกี่ระดับมีการให้าารักษาศีลมีการปฏิบสมาธิเข้ามาการให้ทานี่เป็น เป็นบุญสั้นต่ำมากในพรพุทธศาสนาเราจะมาจีนในตรงนี้เหรอยันนี้เราถือว่ามีบุญมากนะพระเุศ า, ศานะสนาคิว่ามีบุญมากที่สุดแต่ผูม้ ม, มสาสวยพระศาสนาไม่ถูกต้องไม่ควที่จะให้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 เนี่ยเราบอกได้เลยร้อปรเซนไม่เจออีกแล้วสาราาพราว่าสาระเนี่ยพวกคนไม่ดคิดแต่เจอสานาเนี่ ย, าายถ้าพูทธ า, า, า, าเข้าใจัะว่าไม่มีสานาก็ามีการให้ทานประจำโลกอยู่มีสินห้าประจำโลกอยู่ ทีนี้มาดูระบบสองอย่างนี้ทีนี้มีศาสนาแล้มีศาสนากุการให้ทานของพวกเรากว้างมากใช่ไหมจะให้ทานวัดไหนจะให้ทานกลุ่แบบไหนสร้านโบดถสร้างศางสาส้างเกดีนี่แต่การให้ทาน สร้างสิง่งมุกสำคัญทั้งนั้นแต่วถวายพ้ะรียะสงฆ์ท่านพุทเจ้าประก า, าวเอาไว้ว่าเป็นนาุนของโลกเพราะอะไเลยกวางมากคำมากผสมุมากเดี๋ยวนี้นะทีนี้ถ้ไศ า, ศ า, า, า, กกากกไม่เจอศาสนาพุทธเาก็ระกาศเัไว้ว่ามีสินง้ายนะแต่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 พี่สาวเรื่องให้น้องสาวเลี้ยให้พี่ชายเลี้ยให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนที่รักแ ค, แค่ซึ่งอานุภาพของการให้ทานก็เข้าขีดเล็ยจะให้ทานเหมือนหวาที่ที่พวกเราทำอยู่นี่ไมีถ้าไม่เจอศาสนาเนะีนะฉะนเจอศาสนาปุ๊บ พ่อยังจะมาเว้วพบนุบนบนอยู่กับการให้ทานเนี้ยคือยิ่ใช่เลยพิธีศาสนาต้ครต้องใช้เราบอกว่าอย่างไงให้ายางทำบุญให้ครบวงจร้านก็ให้มีศีลก็ให้มีสตาปิก็ให้มีจะเป็นคนที่ไม่อยากจนเลยใครที่ไหนก็ดีไปหมด อย่างนี้พวกเรเป็นนุษย์ก็เราใน้นเราอกว่าตัวเอเป็นอรคิดมัเอแเราท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 อีประเภทหนึ่งดีๆนี่แหละลองนึกนกตั้งแต่เช้า่โอ้คุณคนอยู่ที่มานก็อยู่ในนี้นะแต่ประเภทนี้ต้องอยู่ตอะนี้เป็นสตีประเภทหนงซเกิด้อยานเหมือนกันนะ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 เป็นพุทธที่็กแก้ไขจิตใจตามหลักของพระพุทธศาสนาได้ผพรอดเบิกเดชวัดอืนที่มีร่างกายก็มีระบบเดราชานเท่นั้นสามสิบเจ็ดพูมิเกบบกุฏิบรวดาเปรตสี่ินคงุมยับศาสนาโลกพวกนั้นไม่มีมีรกับ ศาสตเาสเนี่ยคาว่าเรื่องของคนจื่นสิ่งอื่นตั อ, อื่นเขาต้องมีเทวานิก็มีเทวานิชก็มีอินโทรก็มีแต่เขา อ, อยู่ในระบกของความเป็นโครงเขาไม่ได้ใช้ตรงนี้แต่ถามว่าถ้ายังไม่ได้ถ อ, อนคุณจะไปอยู่ยิมอยู่โครงที่ไหนก็ไปเถอะตัวนี้ยังติดแนกอยู่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 มีการเปลียนของเวาจันทร์นีการเป็นแยนเกิดมีการเป็นผูติดตามมีกันกเปลี่ยนที่เป็นอาศัยวงจรของกรรมเรามาอยายคิดว่าเรามา เ, มาเามาปล่าไม่ใช่มงจรของการของใครของมันทุกคนอยู่ในรงบบบาระที่กำลังใช้กรรังนั้นพวกคุณเังถือว่าสุขสบายอยู่หรอ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 จโมขูขันบันนั้นทีนี้พ อ, อจเมือมือใส่สมมติว่า เ, เป็นอินเป็นปรมงะใช้อะไรฟ้ามูวันจะใชาอะไ ร, ร, ะมะะไรหมดอายุไขจากินจากปรมงก็ลงมเมืองเปล่าเนี่ย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 เปลี่ยนสุดเลยไม่ได้คือเป็นเด็กอย่างนี้นี่คือแสดงธรรมะให้เห็นที่จะจะัะที่สุดคือการเกิดแล้วเกิดแล้วเก็บแล้วตายประกอบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะที่ไม่มีคําเทศบรรยายก็คือเกิดเกิเก็บตายใครเข้าไปยืมพระู้นั้น หน้าที่ของเขาเกิดแล้วนะเขาต้องไปทางนี้คุณจะเลี้งเขยมให้เขาไม่แก่ไม่เี็บไม่ตายเนี่ยหรือเปล่าคุณสิ่งที่ใช่เนี้ยดูผู้เสื่อเขาดีขนาดไหนไะม่ให้หนราทำการทำ ง, งานให้เขานอนแล้วทางอาหารระดับพัฒาการหรูๆจนถึงวันตายเขาแก่ไหม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 เพราะฉะนั้นพระพุจามาหาพวกเราคาสอนของพระพุทธเจ้าป็นสิ่ที่มีคุณค่ามีราคามากที่สุดของปรีที่มีคุณค่ามากที่สุดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสามาริที่จะสอนให้เราออกโลกวัฏฏายได้แต่พวกเราเพราะฉะนั้นเราอยากให้พวกคุณจยุดจุดเรื่องของความผิด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 ดเนินชีวิอคถ้าย่างนนอย่างนี้กงนั้นีน้อยู่โรู้ไหมว่าเนน่นามหุมพาทั้งนั้นนั้นนะ่ะต่อการเดินต่อขนางเดินของชีวิตการเป็นบาเปเกรเป็นเสีนหาเ็กก น, นม้มิมตอย่างชื่อาเห็นอยู่ทวอัเราะฉะ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 เราคมาเมื่อท่านเจอศาสนาทุกท่านหยุดเลย่ามุนตัวกลับเลยเราจัเข้าสู่ระบบของการแก้ไขจุดจบของการเรียนว่าตาเสลือไม่มแต่เข้าสู่กับระบบของการแก้ไขโดยใช้คำสอบของพระพุทธเจ้ามา เป็นเครื่องสุดท้ายของเรานะจบลงที่จะพรพูเอมั่นอู่ความนี้่าทจะคิดได้ไยมศาสนาตั้งอย่างนี้เราเกิดขึ้นมาอาของเราไม่ขึ้นนะขึ้นน้ มาขึ้นมาตรงขนาดนันกยังไม่เอาเลยเดี๋ยวนีม้มันเในวันนี้เห็นไถ้าใจผู้ก็คือผ่านไปชีวิตเจ อ, เจอแต่เจอลักษณะที่ว่าผ่านย่ไม่ให้บิดเยข้าสู่การแค้ไ พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสันพุทธเจ้าคือเป็นสิ่งที่จะชักนำให้จิตทุกดวงเข้าไปรู้สภาวะของควเป็นจริงเจไหพระพุทธศาสนาเป็นเครธเธเเื่อง ถ้าันเป็นทุกข์เราเข้าสู่โลกขออันปที่านีจะต้องรรเรารอใครไหมาเขียนพุทโธให้ใจได้ใจโลงแค่เรเองจะจะบอกถ้าเป็นรถเราเอง สัตว์ a ่างๆเอ้ยนี่มันรตั้งคุณหนก็ควรช ภานนีนะคุณภาของความเป็นโชเปอร์ประดออกไหมเดี๋ยวปโชว์เรอคนนั้นเดี๋ยวโชมีอะไรแป้วเรื่องของเขกินสามารมีประโยชน์ไหมาหมดแต่โชน์แล้วเขาจะง่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 ปฏิปฏิบัติให้ตัวเองพ้นจากตรงนีไปเถอะเป็นผู้หิที่นที่สุดจอดเจจเจสุิกันอยู่ทุกแ่ทุกมวราะั่นไชรือไม่ใช่เลยนายจะนาทั้งนั้นเอาบอกว่าอิไปท มันพูดไปชุดอาทิตย์มาอยู่โมกี้ท no ี่ส uh ี่นี้มันเหมือนแบบนักเวิดเหมือนเวิดเวลานเวร์เวลาตัวเนี้ยมันต้องใช่เหตุการณ์สถานการณ์สมมติว่าเหตุการณ์มันครบถ้วนเมื่อไหร่ะมันนกเิดปุ๊บออกมาเลยที่สิ่ตัวนี้เหตุการณ์สถาการณ์พอเนีวยนักิดุ้บออมา เม่อเลยออกมาจากทางโทษเานั้นถ้าพวกคุณสงสารตัวเองให้ตั้งใจหันหน้าเข้าสู่ล้มบุกายแก่ใจเสียละธรมก็ยังเต็มไปด้วยรูปธรรมเสียงธรรมกลิน่นธรรมรสธรรมกลิ่นก็อยู่ในโลกอันนี้ทพระพุทธเจ้ายังอจจบอกว่าไม่เือะ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 พวกคุณจะขอเปลี่ยน้จะว่างเนมนุษย์ที่เดียวเนะเชื่อไหมเาบัีบบ า, าถามกันตึดเลยว่ามนุษย์ทำไมคนเรอปฏิบาาัติธรรมได้เรานี่อยากจะอยากจะตายจากเจ้าบัดเวลาอยากไปเกิดเป็นมนุษย์เดียงนี้จะหน้าหสมาธิภาวนาให้เป็นพระอรหันต์ไปเลย แต่ก็ไม่ตายมังก็มาไม่ได้พวกที่ยังไม่ตายจะเป็นมนุษย์อยู่กันไม่เอาแต่พังกิธานอย่งปิปุสิกาไหมนั่นปฏิปุสิกาเนี่ยเป็นพรายาของพระอิทธิอยู่บนดวงสมาันนี่วน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 เจ็บม่อโตขึ้นมาก็จำความได้ว่าการเป็นันธยาของพระคุณอยู่บนสวงเหนือต้แต่เราเกิดขึ้นมาปฏิบติต้งใจการใ่สร้างคุณงามความดีโตขึ้นมาถนอมเองคอยเข้าถึงโลกภายน ประรมหาพระสงฆ์พระธรรมเนรตอนเช้าตรงมีอาหารข้านายก็มีน้ำอ่อยน้ำตาลน้ำปลาละายทานสวา ย, า น, ว า, ยานเสร็จแครั้หนึ่ก็มีสารกินทุกครั้งประดาทรูเขาก็ได้ใหทานมันนี้พอพเจ้าตายไปก็ขอให้ไปเกิด จบสบันันที่สาณีของารพธเจ้าอยู่เถิดทำอะไรทำไ ป, ไปอุปาัานพเนรเนี่ยะนนระเนรเห็นงานปิบูชิกาเี่ยแ่ว่าเ่เลยนะเ่ยอง์พระเาี่รเนม่อุปัากของพระเนนี่องค์นี้นาาตางตางไปทีนี้นี กอไปได้แปดสิบปีก็ตายายุ๊บขึ้นไปเลยขึ้นไปสวรรค์ชั้นมีอยู่เลยขึ้นไปพราะั้นนั่งคุยกันอยู่ยังไม่ได้เก็บดอกไ้เลยไม่ไเก็บดมแปดสิบีของมนหอกนะขึ้นไป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 มันก็ได้สหมองคิดกินแถวที่นี่พวกที่ห้างคุยกั น, นอยู่แล้วก็แหงว่าสามนานว่าเปลี่ยนอย่างไรเ ห, หรอเมื่อวันรุดงเช้ยวเนี้ก็เหน็นเขาว่าท o โอทีีทท่มีมนพระมาตื่นมาเทมาทำบุญ เขาระพฤปฏิบัติธมกันบ้างไหมเขาเห็นความสัต์สัมพันของศาสนาบ้างไหมนงปฏิูริการไส่หวเลแต่คิตักิุษคามนี้มันก็ได้โทรศัพท์อันยิ่มันก็รีบหยุดเป็นวันนึงอยู่หน้าจอัท์มันไม่ยอมพูดโทรกันเลยนะ พวกน้วก็ได้แต่พูาถึงว่าอมัของคุณเป็นอย่างนั้นพรกครัของมนุษเจอศาสนาและก็คือว่าเป็นมหาบุญมหาปุสณทำไห้เขาทำตัวเป็นกาปาของศาสนาเนาะเขาร่า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 ออกมาอยู่อย่างพวกเราเนี้ก็ <c oughs> ไม่มีร่างกายอยากที่จะถิงสถิตยอยู่ <c oughs> พอที่จะเล่าพูดโต <c oughs> พอที่จะนั้งมาจิพอที่ <c oughs> จะขาดเกล้าจิแใจอันนี้ให้ใสสะอาดไปได้ทำไมเขาไม่เอาโอ้เพราะเราเป็นอยงานวิญญาหรือว่านปฏิปุจกาใส่ร้ายพวกเรา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 จ i ไปเกิดกับสัตว์อื่นไม่มีไม่เกิดกับมนุษย์เราแต่บางทีจะเกิดที่ลึกลในเมืองมนุษย์ก็่ากที่จิตใจของมนุษย์ที่เดว่าเรามีจิตใจทำไมไม่ทำความป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 แม้มาอยู่มนมุษย์ขเขาก็ยังไม่จ้คินอะไรเยอะนพวกข้าวหากทาน้เจียวพ่อคัวเถิ่ถึงล้วนข้าเจียวแล้วทานข้าเจียวหมดไปจานหนึ่งใครอาจประยุ์ไม่ใช่กิดจินนะ จิตเป็นคนนึกคิดเฉยๆว่า อ, อยากกินก็เตี๋ยวอยากทานก็เตี่ยวไปถึงงานตารางทานอยู่นั่นน่ะเี้ยวหวานมันเค็มจิตเป็นผู้รู้พอทานจบลงไปแล้วประโยชน์ขนงเตื่องของกายการนี้เมื่อไงเลยเขาตายออกจากสมื่อเราตายแล้วจิตสิญญาตัวนี้ออกไป เขาก็ไม่ได้กินขาเที่ยขาวเช้าขาเย็ยนที่ไหนนะแรงตดดันให้เขาเป็นไปพวกนั้นพวนี้คือบาป ก, ก บ, บุดเขา้าเขนะ้าใจไหมบา ก, ก บ, บุดตัดดันให้เไปเกเปกติแล้วเขาไม่เคยกินอะไรแต่เขาเป็ น, น, นยนิ้มมานานเสียนานงาเสียนานเรามารู้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 มีน่าอิที่ฤทธิ์เป็นตายที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ ะ, จะเาถึงมาสงสารพวกเราตรงนี้ว่าหนีเถอะหนีเอถอะมาตรเป็นคำสอนไว้ว่าเจโกมัโกมีหนทางเดือเป็นนิยายนิยธรรมที่เอามาบรรยายองค์นั้นเขมาพูดตรงนี้เขามาพูดนั้นคือการชีท้ทาให้พวกเรา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 เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ไม่อยากจะหนีไปเกิดชาติไหนอีกเลยอยากอยู่นี้ประจำก็ไม่ได้แ ต, เตเเนะ่เขาช่วยตัวเองไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาช่วยตัวเองไม่ได้เลยนอกจากพู่เป็นเจ้าของจะตั้ง ส, สติแล้วเข้าไปแยกเขา ไม่ให้เสกอารมณ์เพื่อที่จะเป็นสมาธิเท่า้เดี๋ยวนี้า ย, ยงไม่ได้เขามีหน้าทอารมณ์อย่างเดียวนั่นูเธอวไม่เชื่อตืนมารู้ตัวยังไม่ได้ปลเลยไปรอบประเทศไทยสามรอบแล้วจะเอายังไงจะเอายังไงเขาช่วยตัเองไม่ได้น้ำะคำหิวไป นั้นนะเขาติดมาอย่างนี้หลายกับหลายกันแล้วก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเรอจะมอว่ า, ววาผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติตนเข้าสู่พลนิพพานนีย้ยังยงรู้จุดจบอยูน่นะผู้ที่จะปล่อยให้ตัวเองเป็นนักเกิดนัาตาย่ไม่มีจุดจกพอไหม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 เขา่เป็นชายเป็นหญิงนะกตรงนี้เป็นชายเป็นหญิงอย่นี้คือบุญจากอดีตชาติบุญจากอดีตชาติไม่รู้ว่าทำบุญขนาดนไม้เป็นปีชายทำบุญนาดไหนได้เป็นปีเพราะะนั้นมอถึงจุดนี้เราก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ทุกคนให้การ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 เราพูดว่าท่านเข้าจในเชี่ยงคำพูดได้แเอจาอังกฤษตัวเลยใอ่า ใยายามมองตัวเองให้เห็นโลกตัวหลงเถอะพยายามมองเห็นมองตัวเองให้เห็นวิถีทางออกเถอะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทการทำทงานด้วยกันอยู่อย่างนี้ทิฏฐิมันก็เป็นโปกติธรรมดาใช้มากว่าโทษมากไม่ใช้ก็ไม่มีโทษปั้งทิ้งเป็นสิ่งที่สบายใจเหลือเกินพวกเราพยายามทำกันนะครั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 ถ้ากระดูกมีอำนาจกรรมมันกะ็ไม่มีอำนาจจริงพระพุทธเจ้าบอกวนะ่ากรรมไม่มีอำนาจสูงกว่าันันไม่มีตเกล่ยได้ลงได้ตัดได้ถ้าจะมาเข้าใจกระูกตรงนี้่าจินาสิงอยู่ตรงนี้กรรมมันก็ดาเลยกมันเป็นคนสั่งี่จะ้เกิดตรงนั้นตรงนี้ถ้ามันจิอยู่กระจริงๆมันก็ง่ายอ่ะเนาะ ไปไปเขาสะสมเงินแต่สนามากมาระยะังเขก็จะหมือนลอยคลาหมดแต่ว่าสมัยก่อนเขาเป็นคามชื่อมันมาแล้วก็ในังๆเขาก็มัค่อยเก็บก็ลอยคลาไปไสี่รือหมดแต่ว่า เ, ด, เ, าาเากกด็น ก, ก, ก, ก็ยังมีบ้างไม่นยนน ของพุทธศาสนาเราต้องเชื่อแบบเชื่อก่กระดูขังใครไม่ได้หรอมันหังใครไม่ได้กะดูกมันก็เหมือนเศษหินเศษทรายธรรมดาเนี่ยสิ่งที่ เ, เป็นเน่กาไส้ส่วนหนึ่งพวนนกคุณมพริยะแค่ไหน ถ่ารูปทรงของเ่านั้นไม่ได้หินเนี่ยไม่ใช่เช่ไจิตปิญญาไม่ได้อยู่ตรงจิตมันมีหน้ที่ไปทำงานนะอาที่เราบัทีกายมันมีหน้าที่าน แต่ว่าสิงอยู่บ้านนั้นไปยังไม่ได้เลยก้องมันลากไปแช่ไหมเนี่กูไม่ยอมคปเกิดไปตายที่ไหนละกูจะไปจะสิงจะติดอยู่บ้านนะั้นกูเคยกามไว้เลยละเอาลองดูสิม <c oughs> ันไม่ได้มันไม่ได้ <c oughs> ก้ามเป็นใหญ่ตั <c oughs> ้แตยังไม่ตายมยังลากไปลาก <c oughs> มาอยู่เนี่ย แต่ใครมาเกิดอยู่อุรดิม่ากมาอยู่ริมปางเน่ยพุทานาน่ยต้องเชื่อตรงนี้จะดูไม่มีอำนาจใช่ไหที่มีอยู่แล้วท่านก็เอาไปลอยันต่อที่เกี่ยวันธุของพ่เกียวไาย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 พระเต่คนนี응้เก็บเป็นเศีนะานอยู่ไม่นานท่านไปจากเ้ียภาษีที่นั่นคนเอาไปเอาาาเขาได้เพาเขาเจ็บตื่นเช้ามาเขาให้คนใช้เอาติดตไประชาคนใช้ได้เอาติตัวไปไป วันเราไปได้สองวันวันที่สามนี่ก็ถือว่าฝนลงเลยฝนลงยางอ่ะเช้ า, ชาก็ต้องเรินท้าวกรองน้ไปนี้แต่พอที่ฝน ล, ลงน้ำตื่ลงม้กไปไี่ได้ก็มันนั่งดูข้างทางนังดสเป็นโจทแน์นั่ง่มนานพระชโรมันดีเทวะ Hey. ถ้าจะข้าไปไม่ได้แล้วประชญ์ในกินโตัวนี้ถาวาไหวต้องปรงนะสวายก็ต้องรงแล้วก็แก้ตอองการคือมาแปะฝัแปะฝันม า, ามนมนที่หนึ่งฝันว่าพรรจาตายไปแล้ ว, วันที่หนึ่งเขไม่ไกินอะไร วันที่สองก็ยังไม่ได้กิจะไรเลยวันที่สามไมเออได้เห็นติมาจู่มาเรียนติโตมาเอาไปกับเรียกคนใช้มางเอาติโตไปไวันวันที่หกับวันที่สองมงเอาติโตไปชิ้ที่ไหนตอนทช้าก็ไอไม่ได้เอาไปกิน ก็ออกไปไปต่อช้าหน่อยแหะวันที่หนึหน่งเราอไปไปไหนหึ่งแหลวันที่สอร ไ, ไปไหนไหึ่งแหลวันที่สามมึอไปไหนอออวันที่3ามมยออกไปวันที่ฝนมันลงนะ่ก็เลย ไ, ไ, ไม่ได้ข้ามน้ไปไม่ได้ก็เลยเอาใส่บ า, ราตรรัโดเอ วูนที่หนึ่มันเอาไปปาสาวก็ไม่ได้กินวันที่สองมันอาไปปัสสาก็ไม่ได้กินวันที่สามนี่มันใส่บาตรพระรดง้กินีอาระกาเรื่ <c oughs> อ, กอกักบกตัวนตรงนี้ว่างงาให้พทีท่หนนครับอาไปวาไว้ปัสสาวะนี่อะไร ก็เลยเกื้อตอาอุปตมประดับพระสงฆ์ขึ้นมาพวกเราก็เหมือนการกระดูกระดูะดะมะะันจะมีอะไรมันจะมีอะไรกาทุกคันถ้านไม่ได้นิดส่วนบุญส่วนกุศลอุทิท่ให้ไ ม, ม่ไม่มีความหมายอะไรเลย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 พวกคุณไม่เสียจเรเสียใจการเป็นมนุษย์ของพวกคุณนะกลังจะหมดลงแล้วล้วเสียใจโอ ก, กาสที่ไดเป็นมนุษย์เราเสียด้คาสอนของพระพุทธเจ้ากลังจะผ่านไปแล้วคุณเวานี้วเวลานี้มัเลืออยู่าจะงานอยู่แล้วคะ เวลาที่เราเกิด น, น้อยลงไปทีนยังไงที่ให้เราสามารถทำปฏิบัติพราหมณ์กิจทหน้ า, า, า, าที่ทางงานได้และยลงังลุกออกไปสู่เส้นทางอานิพาณได้โดยที่มทมทมไม่เห็นเวลาค่ะได้บอกไแล้ว่าเอาปฏิบัติคือกับจิตวิ บ, จจบากระจามันคือทาความรู้สึกไม่คิดเรื่องอะไรเล ย, เลยรู้เฉพาะตัว ว่าคุณไม่ปิดกันเลยทางเข้าอยู่อะไรอร่อยสดตสมันยังไปคิดอีสาวคนอื่น ไ, ได้ขับรถเพินไปันไมไขับรถอยู่กับตัวเองเลยมคิดเรื่องของตลอดทำไมไม่คิดตัวเองอะ่ะทำไมไม่อยู่กับตัวเองทำไมไม่ินทางตัวเองทำไมไม่คิด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 ก็มนี้ไม่ได้กขอออกไม่ได้หยุดไม่ได้ด้วยอ้านสีิไปมาหยุดหยุดการเสพอารกนเขามาอยู่ใตัวเองเนี่ยคือหนทางกระริพานนี่คือการก้าเดินเขากินอะไรไม่เป็นแต่เขาไม่มีพลังถ้าเขามีพลัง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 เดี๋ยวนี้พวกเราเอาศาสนาป้องไว้จะเดินต่อไม่แก้ไขแต่ต้องการจุดจบเอาเรื่องอะไรเกิดขึ้นทีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบางศาสนาเนี่ยต้องการจุดจบแต่ไม่ยอมลิกตัวเองตขอสู่ระบบ ก, การแก้ไข ปลยให้ตัวเองและก็จิตใจได้อยู่ตามระบบของความเป็นธรรมชาติภาษาที่ทันสมัยสู้วันนี้ก็เดินเดินๆงเดเป็นอย่างนี้เดิมเ ด, ด, ดินันะนนี้การนี้เครื่องที่จะห่อจะเกิดน่าต้องสูงพ่พระไ ร, ร, ะ ร, ร, ะรนี้การนี้เนี่ เราไม่ได้สูร่ระบบการแก้ไข้าจารย์เอกเขาบอกว่าเดิมๆต่อไปที่อาจารย์บอกว่าให้อยู่กับตัวเองนะคะที่ใจอยู่กับตัวเองแล้วไม่คิดอะไรเนี่ยมันเฉื่ อ, อยนะเพราะว่าคนเรามันสิดฝานคิดตลอดเวลาคาล่คิดมากเรา แ <Okay. S 2> อมมนุชามาช้าแต่ ค, คุณถ้าคุณต้องการแก้ไขก็ซือาาถ้าคุณยังคิดอยู่ก็อย่าได้หวัเลยว่าคุณจะต้องเ็นควเป็นสมาธิเดี๋ยวนี้คุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรคุณมาังเทศมาทำทานให้คุณต้องการอะไร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 เอาไปกันถึงดงดาวแล้วกนะ็ไม่เคยมาเลยหรอเอาไปถึงดวงดาวแล้วบนะ่เนี่ยพระนิพพานเขาไม่ต้องการคน ม, มีบุญพระนิพพานก็ต้องการคน ม, มีจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นจะเอาบุญไปสักติดตัวหนึ่งเนี่ย ก็ไดทิ้งเลยะเขาหอาิงริงยไปรื่งรงของความสุขที่แท้จริงไม่มีไม่ไม่ไม่ได้มีความไม่ได้มีถึงเกี่ยวคนตรงนั้นก็มีความสุขอยู่แล้วงไม่สการและนั้นุคจะเข้าสู่พระนิพพานมีบุญมาเยาไปไม่ได้งที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 ความจริงการจัดกิจกรรมคาั้นี้ก็ไม่ได้ประกาศออกไปข้างนอกนะครับตอนในวีนว่อนที่จะมาถแล้วก็ผมพูดสนใจในทาง็่าในข้าววันก่อนเยอะพอนะครับไว้โอกาสที่เรื่องสถานการโควิดได้ที่คายลงแล้วก็ทางองค์กรก็สามารถให้เราจัดได้เป็นที่อันนั้นเดี๋ยวไพ ว, <อ>ว่าความิงนะครับก็ตัวแทนพวกคุณเนย เมืเมเม้อปฏิบัติเวลาอนนะแล้วที่มันรีกายมันรีมันรียู่แต่แต่ว่ามันก็ยังมีความผิดผิดออกไปแยกๆอะไรนะคะจะต้องพิจารณากายต่อหรือว่าจะเอากะมาถานต่อไปพิจารณาเป็นครรมเดนได้ เัามไม่ไปพิจารณาเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างนะคุณพิจารณาดิาเรเสานของจิตยังไม่เป็นสมาธิให้เขาตเขาก็าเรียกว่าอุบายเพื่อที่จะทาให้จิตไม่ออกไปนอกแทที่บริกรรมพูโทโธบ้างรูลมหายใจบ้างกำหนดเป็นความรู้สึกบ้างหรือว่าจะ เนื่อถึงตาไตไตภุมพิจนารนณาร่างกายเขาเพื่อที่จะไม่ให้เขาออกจาการ่างกายได้นี่คือหนึ่งพิจน า, น า, นารณาล่างกายอีกข้าด้าสองคือหลังจากจิตเจรินสมาธิแล้วจิตไม่มีกระแสขอขอคกามเป็นวิปัสสนาค่อย้พิจนารณาล่างกายด้วยความนึกคิดเราพูดแล้านานวหน้าก่อนวันนี้ เอาความคิดเอาพลังของความคิดเข้าไปนสิกิดกระแสได้สิเพื่อที่จะให้สิออกมาเป็นริปัสสนาคือนึกนึกผมคนเลีบฟันเนื้อเอ็นกระดูนึกอยู่เรื่อยๆนึกหรืจะนึกอะไรก็ได้คิดไปคิดไปถ้าคิดอยู่ถ้าตัวย่างจิจที่เป็นสมาธิเัาก็จะส่งกระแสออกมากระแสตัวเนี้ย มันก็เป็นอารมณ์นี่ยหลแต่หนุนด้วยสมาี่เขาไม่ได้บอกว่าอารมณ์เขาเรียกว่าปิปัตามันจะเป็นสองอย่างปิชาเนี่นถ้ามันเป็นหนึ่งอยู่เฉยอยู่บางครั้งมีอารมณ์ฉุกคิดขึ้นกรางใจถ้าเรามีสติเราไม่ตก สมมติว่าเขาคิดเ่อนั้นถ้าเราไม่ตอบเขาก็หยุดพุ่งเลยหยุดพุ่งเขาพข่งหมดตัวลงไปเลยย้ําๆอะ่านี้นะถ่าสมมติว่าเขาจออกข้างนอกเรื่องขังนอกเอาเรื่องข้างนอกไม่ได้เิดสูญคิดเรื่องข้างนอกเกิดขึ้นเราไม่ตอเขาก็ไปไม่ไ้เมื่อเขาไปไม่ได้เขาพุ่งดตัวเข้ามา เราทำอะไรสักสนี้นะแคเรื่อง้เทานันแ้วมูนแค่หยนี้พราะที่เร า, เราอยู่ก็เราเก็ไปรู้ทันทีว่าอ้เาจะกำเรื่องอนี้เราไม่ต่อให้เป็นเรื่องต่อไปพอเข้าใจไหมคล้ายๆกับอนิกานาให้เด็กฟังเราไปถึงขึ้นขึ้นซ่อนแล้วก็อยู่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 แต่ทีนี้การจะเป็นสมาที่ต้องเบามากความรู้สึกกับความรู้สึกตัวนี้ต้องเบามากถ้าไปเกิดอาการทื่อจดจอตั้งใจจบเลยรือเด่นเขาจะไม่เป็นดยเด็ดขาดถ้ามีอาการสองอย่างสามอย